เทศนาแผนที่82ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรรดธานีแสดงคำในวันที่9กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่าผู้พิพากษาเป็นวิชชาทิฏฐิ วันนี้เป็นวันพุธที่9 <c oughs> กันยายนพุทธศักราช2 5 5 8ร้อยห้าสิบแปดเมื่อวานหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมวัดป่าน้องไผ่แล้วก็หลวงพ่อบุญมีธรรมเตาได้มาวัดของพวกเราท่านก็ทาพาพระเนนลูกหลาน คาวะตามประเพณีของพระกรรมฐาน <c oughs> ท่านมาวัดเราเมื่อวานห <c oughs> ลวงพ่อเองก็ได้ปลาลบเรื่องเจดีย์ที่ได้ยินมาจาก <c oughs> สายตามข่าว <c oughs> ที่ท่านผู้ว่าเสียในจิตกรระเสีมแถลงในเจอะข่าวก <c oughs> <c oughs> ็หลวงพ่อก็ว่า ก็ชัดเจนในการดาเนินของเจดีขององค์หลวงตาตลวงพ่อก็ได้อธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยเมื่อวานเนี้ยอันนี้ก็คือเมื่อวานเนได้พูดเกี่ยวกับเจดีขององค์หลวงตาแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองก็ได้พูดเกี่ยวกับความชลาภาพ ความแก่หลวงพ่อก็ได er so, ้บอกเตือนน้องๆพวกกลุ bisschen, ่มของเราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแก่ชราเพราะนั้นความหลงลืมต้องมีหลวงพ่อก็บอกว่านี่นะหลวงพ่อผมเองหลวงพ่ออินเองเลยก็ได้บอกกล่าวสั่งกับลูกน้องไว้เหมือนกันเพราะ เราเห็นครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสพอเท่าอายุมากแก่ชราขึ้นมาท่านก็มีความหลงลืมเป็นธรรมดาเพราะสัญญาอนิจจาสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารร่างกายก็ไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจงล้วนแล้วจะเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาทั้งหมด ในร่างกายของพวกเราแต่สิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนคือความรู้แจ้งเห็นจริงความบริสุทธิ์จุดนั้นอันนั้นคือที่ได้ชําระใจออกไปแล้วนะั่นอันนั้นคือความบริสุทธิ์อันนั้นไม่หลงหลืมตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสบอกกล่าวเอาไว้นี่แหละแต่ที่ยังไงท่านพูดที่ใด รับมรับผลแล้วถึงจะหลงลืมอย่างไรสังขารอนิจจาอย่างไงสัญญาอนิจจาอย่างไ ร, ส, ญญยยงไรสังขารคือความปรุงแต่งในจิตในใจหลงลืมอย่างไรอันนั้นมันเป็นเรื่องของไตรลักษณ์ในร่างกายของพวกเราแต่ส่วนที่ได้บรรลุธรรม ดูจุดที่ท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลจุดนั้นเป็นจุดที่ไม่หลงหลืมสาหรับผู้ที่ท่านได้มรรคได้ผลกันนอกนั้นเหมือนกับปุทุชนทั้งหลายร่างกายก็แทแกเท่เท่าชราเหมือนกันสัญญาคือความจําได้หมายรู้ก็หลงหลืมเหมือนกันเพราะว่า ท่านไม่ได้รับรองว่าผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วสัญญาเป็นนิจยาคือเที่ยงแท้แน่นอนไม่หลงลืมเป็นมหาจิติมหาปัญญาไม่หลงลืมเลยสังขาราก็ไม่แก่ไม่เท่าท่านก็ไม่ได้รับรองอย่างนั้นเหมือนกับปุตชนธรรมดาเพราะร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนสัพสัตวในโลกปูดอย่างนั้นได้ แต่มีแต่จิตใจความบริสุทธิ์เท่านั้นละ่ะที่เหนือกว่าเหนือกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายอันจุดที่โดดโดดเด่นที่ทัวชั่มละใจออกกิเลสกิเลสออกจากใจกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนกับเงาหลงตาท่านพูดนะใจเนี่ยคือคือเป็นเป็นผู้รู้ ใจหนึ่งคือผู้รู้เรื่องอะไรมารู้หมดตั้งขึ้นมากำหนดมีสติมีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวผู้รู้ให้รู้พอรู้อันไหนเข้ามารู้เป็นเงาเป็นเงาของเป็นเงาของใจเป็นเงาของกิเลสมันเข้ามาแต่รู้รู้รู้แต่ใจ ความบริสุทธิ์นั้นไม่มีเงาแต่ตัวเงาเนี่ยคือเรื่องของกิเลสที่ลวงตาท่านพูดอัมตะธาตัอัมตะตาธรรมจริงๆไม่มีเงาเป็นหนึ่งเดียวคือหนึ่งไม่มีสองคือความบริสุทธิ์นี่แหละในจุดนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายที่พวกเราจะเดินเข้าสู่จุดนั้นได้จะต้องอาศัย เรื่องสมถะคือทำจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานในะเรื่องใจสงบเนี่ยนะเป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติจะทำยังไงใจของเราจึงจะสงบเป็นหนึ่งนี่แต่ขนาดจะทำใจให้เป็นหนึ่งเนี่ยก็เควงคว้างพอสมควรแต่ถึงยังไงไม่เหลือวิสัยถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามจะไม่เหลือวิสัยเพราะนั้นให้พยายาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาใหม่พาทใหม่ทั้งหลายแหลให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาจุดนี้นะจุดนี้นะจุดที่จะที่จะทำใจให้สงบจะทํำยังไงจึงจะใจของเราจึงจะสงบได้ไม่เหลือวิสัยนะพาลูกหลานนะขอสําคัญให้จริงจังและจริงใจเดินโยงกลมเอาเลยสิเดินดน้ำมันเป็นครึ่งค้อนวันเป็นยังไงนั่งภาวนาดูสิ เป็นลหลายชั่วโมงเป็นยังไงเราทำงานอย่างอื่นเรายัางทำได้เราจะเดินยุดกลมนั่งภาวนา ม, มาฝึกหัดจุดนี้ไม่ได้หรือไม่ได้เสียหายที่ตรงไหนมีแต่การบังคับจิตใจของพวกเราเท่านั้นนะบังคับใจของเราบังคับกายของเราเราไม่ได้บังคับใครอื่นบังคับตัวของเราเองเออก็ไม่เห็นเสียหายที่ตรงไหนถ้ามันจะเกินไป มันใจจะขาดจริงๆเราก็รู้เนี่ยมันจะขาดได้ยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยประพฤติธปฏิบัติมาแล้วเงี่ยนะให้ดูซิในพรรษานี้เนี่มันเกือบจะกลึง่งพรรษาแล้วสามเดือนนะเพราะนั้นอีกกลึง่งเดือนอีกต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยเราจะพยายามทำจิตใจให้สงบให้ได้ริมรถพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าริมรถพระธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านพาดำเนินยังไงท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรให้พวกเราท่านทั้งหลายนะให้ใส่ใจให้ลงมือประพฤติปฏิบัติเวลาเดิ น, นตั้งแต่ออกจากศาลาลตอนเช้าออกจากที่นี่ไปนะ่วันนี้ตอนนี้ตาภายบาทขึ้นบาแล้วไม่ต้องคุยกันขาขวาพุทขาซ้ายโทพุโทโตพุโทโถพุทธโถจนไปถึงกุฏิวางบริขาร ล้างหน้าแปลงฟันอะไรทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเออลงเดินจงกรมเลยขาขวาพุทขาซ้ายโถปนมมือซะก่อนเดินจงกรมพุทโทพุทโทพุทธ โ, ททธ โ, ททธโทอจากนั้นก็ขึ้นมานั่งเอบริกรรมทามันง่วงเอาพักหน่อยหนึ่งลุกขึ้นมาทําต่อหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถพุทโทพุทโทพุ ท, ทเอถ แต่กนะกลางวันยังยังมียังมีกิจกรรมจะต้องร่วมปัดกวาดทำความสะอาดแต่พอถึงตกตอนเย็นถือไม้กวาดเสร็จแล้วงานภาราเสร็จแล้วเดินกลับกุฏิพทุพโทพโธพุทโธพุทโธอาบน้ำเสร็จแล้วนั่นแหละทนจุดเทียนแล้วก็เดินจงกลมเลยท่นานจากนั่งนั่งภาวนาเลยแต่ว่าพวกเราอดอาหาร อดอาหารอย่าให้มันฟุ้งนะบังคับอย่าให้มัน จ, จิตใจมันปุุงฟุ้งใจฟุ้งไม่ได้บังคับให้อยู่กับกรรมฐานให้อยู่กับพุทธโธเอ่อด้วยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทธโธด้วยกาวเดินขาขวาพุทขาซ้ายโธนี่แหละสรุปแล้วคือให้อยู่กับพุทธโธตลอดเลยไอ้ท่านเราอยู่อดอาหารเนี่ยมีเวลายเยอะมากเลยนี่แหละอย่าเวลาอดอาหารอย่าไปปุงฟุ้ง คิดไปทางอื่นแต่โทรศัพท์ปิดไว้ก่อนไม่มีหลวงพ่อบอกว่าอย่ามีอย่าใช้โทรศัพท์นะพระใหม่นะการใช้โทรศัพท์ไม่เป็นผลดีสําหรับพระใหม่ทําให้จิตใจเนิ่นช้าจิตใจหมกมุ่นจิตใจอยู่ในกับกิเลสจิตใจอยู่ในเรื่องของเก่าๆ เ, เรื่องเก่าๆที่มันเราไม่กระเทาะ อ, ออกเลยมีแต่มันเกาะขึ้นมามาอยู่ในวัดจึงว่าเวีอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้า เออขึ้นมาแล้วก็เอาตัวนั้นเป็นที่พึ่งเอาตัวนั้นเป็นที่เกาะก็ได้แต่เพียงแค่นั้นแหละอพอออกไปเป็นคารวาสก็ตำหนิพระอีกต่างหากพกากกรรมฐานไปอยู่ได้อย่างนั้นเพราะตัวเองมามาอยู่ได้อะไรมาปฏิบัติตามแนวแถวของท่านไหมที่ท่านแนะนําสั่งสอนท่านมาจะทำแต่อย่างนั้นน่ะมันก็ได้อย่างนั้นแ่ะกลับไปก็ได้อย่างเก่าเลยได้อย่างนั้น่ะเอออย่างที่หลวงพ่อพูดเออเหมือนเก่าอีตะเลาไปไทยกลับมาบ้านหัวล้านเหมือนเก่า เพราะอะเพราะตัวเองอยู่คารวาสก็เป็นอย่างนี้นกลับเข้ามาบวชก็ทําอย่างเก่ากลับไปบ้านก็คงจะเป็นอย่างเก่าควรหัวล้านใช่ไหมล่ะเนี่แหละออันนี้ก็เหมือนกันนะให้ปรับปรุงแก้ไขตัวของตนตัวของตัวเองนะเอให้ปรับปรุงแก้ไขตัวของตัวเองคนะรูบา อ, อบาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยตลงตามีแต่แนะนําแนะนำท่านนั่นเองว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรแต่พวกเราไม่ปฏิบัติก็ ไม่รู้จะทํำยังไงให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเอ่อเรียนหนังสือนะตั้งใจเรียนหนังสือนะแต่ตัวเองขี้เกียจมีแต่เที่ยวเตะแล้วผลในการเรียนในการศึกษาของตนเองเออจะดีได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ใส่ใจเออในสิ่งเราเหล่านี้ละ่ะทั้งหลายทั้งปวง เ, เราเข้ามาคราวนี้เรามาเพื่ออะไรสามเดือนเออเรามาเที่ยวมาเตะใช่ไหมเออแล้วมาทําอะไร ให้ถามตัวเองข้าพเจ้ามาทำอะไรในสามเดือนนี้ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายถามตนเองว่าข้าพเจ้ามาเพื่อฝึกหัดดัดทิศสัยบำเพ็ญกุศลตามระยะประเพณีตามพุทธานุญาตตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราคิดว่าดีแล้วตัดสินใจในคราวนี้มาบวชเพื่อศึกษาเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาพระทมคําสอนของพระพุทธเจ้าเออถ้าถามถามตัวเองอย่างนี้แหะจะทํำยังไงที่เราทําที่มาเนี่ยที่เราปฏิบัติตนอย่างนี้มันถูกต้องไหมตามแนวแถวจริงไหมหรือมีที่รับมีที่แจ้งเออมีที่รับตัวเองทํำยังไงที่แจ้งทํำยังไงมันมีที่รับที่แจ้งไหมในตัวของเราในการกระทําของเราในขณะนี้ เสียงเหล่านี้ให้พวกเราทบทวนดูตนเองถ้าพวกเราทบทวนดูตนเองว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดดําคือจุดที่มีที่รับที่แย่งจุดนั้นไม่ควรจะมีเพราะเราเป็นพระนะเป็นพระเป็นผู้มุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อศีลต่อธรรมเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายตัดจะกัดออกในจุดนั้นเพราะเรามาตัดกิเลสมาตัดความชั่วออกจากจิตใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกองนะพระทุกหลานทุก องนะอหลวงพ่อเอเป็นห่วงเรื่องในเมื่อเข้ามาแล้วเข้ามาศึกษาแล้วไม่ได้ศึกษาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วกลับออกไปนั่นแ่ะก็ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือไปเผอเผลอเลยจะขี้โลภขี้โกรธขี้หลงติดมือออกไปแล้วดูถูกวัดวาศาสนาอีกต่างหากอย่างนี้แหละหลวงพ่อไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นบาปกรรมติด หัวใจของพวกเราท่านถลายออกไปเป็นคารวาสอีกติดจนถึงวันตายเพราะอะไรเพราะตัวเองเข้ามาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้ปฏิบัติตามแนวแถวที่ท่านแนะนำสั่งสอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะฟังฟังเอาไว้นะเป็นตามมันเป็นตามแนวแถวนี้ไหมถ้ามันเป็นตามแนวแถวที่หลวงพ่อพูดน่ะแปลว่าเราเดินผิดทางจะแล้วคิดผิดจะแล้วทาผิดจะแล้ว พูดกับพูดผิดเสแล้วนะเป็นมิจฉาทิฐิโดยที่ไม่รู้สึกตัวเป็นมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดคิ ด, ดผิดพูดผิดโดยไม่รู้สึกตัวนะความไม่รู้สึกตัวความได้คืออะไรคือความหลงนะมันหลงตัวเองนะในเมื่อความหลงตัวเองเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วนะมิจฉาทิฐิเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษภัยยิ่งกว่ามิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดน พวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันนะไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนะความเห็นผิดจุดนี้แหละน่ากลัวมากนะที่โลกทั้งโลกฆ่าลันฆ่าฟันลันแทงกันทุกวันนี้กันนี่แหละว่าตัวเองเห็นถูกนะแต่ดูๆแล้วมันเป็นมิจฉาทิฐินะสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือพิพากสามาตัดสินถ้าพิพากษามัตติสินมิพิพ า, าเป็นมิจฉาทิธฐิอีก ه, ก็เข้าข้างใดข้างหนึ่งจอเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเรื่อยอีก เ, เพราะเหตุายเพราะธรรมคือหลักเหตุผลธรรมคือความถูกต้องถูกต้องขนาดไหนถูกต้องไม่มีที่ตําหนิแปลว่าเป็นกลางที่สุดไม่เข้าข้างนู้นไม่เข้าข้างนี้เป็นกลางเป็นสัมมาทิฏฐิ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเป็นสองอย่างที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังเคยบอกกล่าวให้ฟังนั่นคือหลักเหตุผลถึงจะถูกใจใครผิดใจใครอันนั้นเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้พูดเราไม่ได้บอกอะไรนะแต่อย่าไปเข้าข้างคนนั้นเขาข้างคนนี้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเข้าข้างนะเพราะนั้นใครให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าเข่าข้างอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าเข้าข้างกิเลสนะ อย่าเข้าข้างมิจฉาทิฐิให้เข้าข้างสัมมาทิฐิคือความเห็นถูกต้องเป็นธรรมเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารนยะ์มาเป็นกระจกเงามาเป็นกระจกส่องแล้วกด็ดูตัวเองนั่นแหละหลักธรรมคาสอนหรือว่าแนวทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นแหละเป็นกระจกนะสำหรับส่องตัวเองในความคิดของตัวเอง มันลังวัดแนวะความคิดของตนเองถูกต้องไหมที่เราคิดอย่างนี้นะแล้วก็เปรียบเทียบกับทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติธปฏิบัติมานี่แหละให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะสรุปแล้วก็คือให้โอปัญิโกมองตนเองไว้อยู่เสมอเสมอนะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร ล, ละพร